มันงดำถึงดูไปเรื่อยๆมันง่ายครับทําอย่างนั้นเดิมดูไปเรื่อยๆ อ, อย่าไปบัคคับขึ้นม า, าปล่อยได้หมดก็ดีแล้วพอ ป, ปล่อยแล้วใจมันจะโล่งขึ้นมานี่พอใจโล่งขึ้นมาเราก็เคยเรียนรูเขาไปเรื่อยๆเขาเปลี่ยนแปลงเขาเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆถ้าเราไปตั้งผู้รู้เด่นเลย น, นะมันจะทํำลายไม่ได้ จะทําลายตัวผู้รู้มันอยู่ที่ว่าสติปัญญาเรามันจะไปเห็นตัวผู้รู้นั้นเป็นไตรลักษณ์ไหมครับไม่มีทางอื่นที่จะทาลายตัวผู้รู้ได้นะต้องเห็นเป็นไตรลักษณ์ก่อนพระอนาคมาภาวนาทํามาหลายปีทําไมเราไม่แจ้ง ร, รู้สึกตลอดเวลาทำไมไม่แจ้งรู้ไม่ตลอดสาย อะไรที่รู้ไม่ได้ตลอดนะอริยสัจ ร, รู้ไม่ได้ตลอดสายมีความรู้สึกลึกๆไหมว่าเรายังไม่เห็นแจ้งในตัวอริยสัจอย่างนั้ น, นะออก็คลำเที่ยวคลำเส้นทางนี้เราไม่เคยเดินจะไปยังไงนะถึงจะรู้แจ้งในอริยสัจ<ม>ครูบาอาจารย์บางส่วนท่านก็บอกว่าต้องทำลายผู้รู้ไม่พูดเรื่องอริยสัจเลย ในขณะที่ในตำหลับตำลาเนี่ยพระอรหันต์ต้องดูแจ้งอริยสัจเหมือนกับคาสอนเท่างหลร่นี้มัขัดแจ้งกันมันก็ทําให้เราค่อยๆรูบๆคลำๆไป <c oughs> ในความเป็นจริงแล้วก็คือตัวอริยสัจ ต, ตัวที่หนึ่งคือการรู้ทุกสิ่งที่เรียกว่าทุกก็คือกกรูปกันนามกายกับใจตัวกายเนี่เรารู้แจ่มแจ้งละเราเห็นแล้วไม่ใช่ตัวเรา ตรที่วางกายได้เนี่ยมันปูโพรว่านาคามีแต่ตัวจิตตัวธาตุรู้ระวางไม่ได้วางไม่ได้เพราเราเรียกว่าเราอยากไม่รู้ทุกเราไม่สามารถรู้แจ่มแจ้งถึงตัวจิตผู้รู้ได้เราไม่แจ้งนะเราคิดว่ามันเด่นทรงมันเห็นมันก็เด่นอย่างนั้นเด่นอย่งนั้นทั้งวันทั้งคืนไม่มีมัวหมองอะไรไม่ตับเห็นแต่ไม่ไม่เกิดไม่ดับไม่ลงนะเนี่ยนั่นแหลมันเหมือนหมดทางเดินเลย บททางเดเริ่คนส่วนใหญ่ก็จะรู้สึกว่านอนใจได้แล้วเราคง้นกิเลสตรงนี้และวตรงนี้ตายแล้วจะไปเป็นผีใหญ่ที่ลงสู่ดุลยอกแต่ถ้าเราเข้ารู้เข้าดูไปเข้ดูไปมันทนสติทนปัญญาเราไม่ได้รู้ที่ตัวผู้รู้นี่เองให้รู้สิให้รู้ไปธรรมดานี้แหละรู้กายรู้ใจรู้กายรู้ใจบางทีมันก็มารู้ผู้รู้อย่าไปจงใจจ้องไว้ที่ตัวผู้รู้อ๋อครับ ตัวสำคัญคือไม่ไปจงใจจ้องตัวผู้รู้ไว้ไม่ไปเท่งใส่ตัวผู้รู้อันนี้อันนี้หมายความว่าปัญญาเรายังไม่คมพอไม่พอที่จะเห็นเขาเไม่เที่ยงใช่ไหมครับใช่ปัญญาเราไม่พอที่จะเห็นผู้รู้เป็นไตรลักษณ์ครับนี่เรียกว่าเราไม่รู้แจ้ง อ, ร, องริยสัจนั่นเองเพราะเพียงมีตะคําสอนเตือนเข้ามาว่าอันนี้ อันนี้เออ่ไม่เพียงนะแต่ก็ยังไม่ไอันนี้คําสอนนั้นน่ยมันได้ยินได้ฟังมาจากพระอริยเจ้าทั้งหล่แต่ว่าใจเราไม่ได้เห็นเองี่ตรงที่พอเรามันเหมือนจนปัญญาจริงจริงไหมไม่รู้จะไปทางไหนอีกแล้วเพราะว่าแค่จงใจปฏิบัตินี่เดียวก็ถูกจงใจจะปฏิบัตินี่เดียวก็จะงทุกขึ้นมาเพรไม่จงใจปฏิบัติงานเราก็ยังไม่เสร็จ มัอนจะเดินต่อไปก็ไม่ได้นะหยุดอยู่ก็ไม่ได้ตรงนี้มันคล้ายๆถึงจุดที่จนปัญญาหมดสติหมดสัญญาที่ต่อสู้พอมันบีบเข้ามาถึงจุดนี้แล้วมันรวมลงมาที่จิตอันเดียวที่ทาตัวนียนะแล้วไม่ไดิ้นโดนต่อไปอีกแต่ว่าไม่ใช่นั่งเฝ้าไว้นั่งเฝ้าไว้อย่างเป็นการทำงานไม่มีการทำงานเหลืออยู่แนละ้ว แล้วพอไว้ก็เพ่งนไม่ใช่ก็เพ่งส่งในอย่เฝ้าไว้ไม่ได้นะเป็นการทํางานขึ้นมาอีกพอไม่เฝ้าไว้ก็กลัวว่ามันจะหนีไปกลัวว่าเดี๋ยวจะไม่บรรลุอรหันต์แต่ว่าพอเฝ้ารู้เฝ้าดูไปเรื่อยนะทําให้สบายที่สุดธรรมชาติที่สุดใส่มาปล่อยใช่ไหม่รธรรมชาติที่สุดดีที่สุดแต่อย่าจงใจปล่อยนะไม่มีการกระทํเมื่อเชาไว้ มันเกินต้องจําคํานี้นะไม่มีการกระทําใดๆเลยถ้ายังมีการกระทําไปนิดเดียวก็คลาดเคลื่อนออกไปเลยความทุกข์จะเกิดพุ่งพลุนขึ้นมาเลยในความไม่ต้องจงใจต้องไม่จงใจกระทำํำมันจะรู้กายรู้ใจมันจะรู้ผู้รู้มันจะหลงะไม่ห้ามมันหรอกแต่ว่าตามรู้ไปเรื่อยๆตามรู้ไปสบายๆถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันจะมีรอยแยกสามรอยสําหรับแต่ละคน บางคนได้เห็นว่าตัวท่ารู้นี่ยไม่เที่ยงเศร้าหมองแล้วก็ผ่องใสผ่องใสแล้วก็เข้าหมองนดะ้ครับอันนี้พอาจับได้ข้อปัญญาท่านแจ้งมันไม่เที่ยงเนี่ยมันแจ้งก็ปล่อยวางบางท่านเข้ารู้จิตผู้รู้ผู้แห ม, มันมีความสุขเยอะนะรู้ไปเรื่อยๆถึงจุดหนึ่งมันกลายเป็นทุกข์ล้วนๆเลยซึ่งอัศจรรย์ ตัวจิตผู้รู้กลายเป็นตัวทุกข์แล้วทุกข์แบบไม่มีอะไรเสมอเหมือนทุกข์เหมือนโลกจะแตกทุกขเหมือนจะถูกปูกเขาบดขยี้เลยถึงจุดนี้ทุกข์แบบที่ว่าอีกนิดนึงก็จะตายละสภาว ะ, ะเป็นสภาวะเนะเป็นสภาวะที่เห็นมั น, นะตัวทารรู้น่นตัวทุกข์ล้วนๆทุกข์แบบไม่มีอะไรเหมือนเลยลเกิดมาจากทัง้งพ่อทั้งแม่ไม่เคยเห็นทุกข์ขนาด น, นี้เหมือนว่าเรากำลังจะตายแล้ว เหมือนจิตจะระเบิดจะแตกสลายแล้วไม่ใช่ทุกแบบไม่ถนัดไม่ใช่มันเป็นทุกโดยตัวมันเองเพราะจริงๆพระพุทธเจ้าสอนว่าขันห้าเป็นทุกท่านไม่ได้บอกว่าทุกบ้างสุขบ้างท่านไม่ได้บอกว่าเป็นตัวสุข่ถ้าเราเห็นธาตุรู้เป็นตัวสุขตัวดีตัววิเศษไม่ได้ตรงคําสอนเรื่องอริยสัจเลยแต่ถ้าวันนึ่งเฝ้ารู้เฝ้าดูไปไธาตุรู้ตัววิเศษ เป็นตัวทุกข์ล้วนๆทมันทุกข์มันไม่มีอะไรเหมือนนะมันจะตายเลยถ้าหาทางแก้ไขไม่ทําไมอยู่ๆทุกท่วทมท้นที่นมนไม่ว่าจะแก้ไขในแง่ในมุมไหนก็ไม่หายมีแต่ทุกข์เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นตลอดเวลางจุดนี้ต้องยอมตายเอาล่ะจะตายก็ตายยอมตายช่างมันจิตมันจะระเบิดแลนะให้มันระเบิดให้มันตายไป แล้วถึงจุดนี้มันความเข้าใจมันยอมนะชั่งมันแล้วชั่งมันแล้วทิ้งมันนะมันทิ้งออกมันเองควทุกข์จะสึมันจะสลัดเอาจิตทิ้งไปมันจะรลดพ้นมันจะปล่อยวางตัวจิตได้อันนี้พวกนี้เห็นถุกบางท่านเห็นอนัตตาดูไปดูไปนะมันกระเด็นออกไปเลยแล้วมันจับมันกว้างทิ้งไปเลยธาตุูนี้ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราแต่ละคนแต่ละคนเนี้ยแต่ต่างกัน บางคนเห็นอนิจจังบางคนเห็นทุกข์บางคนเห็นนามนิสสัตว์ไม่เหมือนกันแต่เสแล้วสภาวะสุดท้ายจะเหมือนกันคือมันจะปล่อยวางความยึดถือจิตเมื่อมันปล่อยวางความยึดถือจิตแล้วมันจะไม่ไปหยิบฉวยอะไรขึ้นมาอีกเพราจิตเนี่ยเป็นสิ่งที่เรายึดถือมากที่สุดมาเป็นสุดแล้วมันถึงที่สุดแล้วที่สุดเลยก็คือจิตนั่นเองเนี่ยที่หลวงปู่ดูลสอนจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งแจ่มแจ้งก็คือเห็นมันเป็นไตรลักษณ์เลย ปัญญามันแจ่มแจ้งแจ่มแจ้งไม่ใช่ว่าเห็นชัดๆัดแจ่มแจ้งก็คือเห็นแล้วก็เข้าใจมันอย่างลึกซึ้งเข้าใจความลึกซึ้งของมันก็คืออริยสัจนั่นมันคือตรวจทุกตอนนี้มันเหมือนกับเหมนไฟอย่างเงี้ยเหมือนกับมันจะติดอยู่อย่างนั้นตลอดลยก็สว่างคงที่ไปเลยดูไปนะหลายหลายเดือนก็มองไปเองอะระวางว่าครั้นี้มันไปอีกแบบหนึ่งละไม่เหมือนที่เคยปฏิบัติมา มันมีความรู้สึกเหมือนว่าธุระเราหมดนะ่ะภาระที่ต้องริ้นรนค้นค้าเพื่อความบริสุทธิ์เลยไม่มีอีกเนะวลาเรามองรูปกภาดยนอกจะเห็นมองคนมองสัตมองอะไรมันราบเรียบเสมอเราจะเห็นปรมาตร์เห็นรูปปรมาตร์ความรู้สึกทั้งหลายเกิดขึ้นก็เป็นนามปรมัสตร์ไม่มีคนไม่มีสัตว์นะแต่เดียวกันก็รู้สมมุติบัญญัติ รู้ว่าเขาเรียกว่าอะไรรู้ว่าผู้หญิงรู้ว่าผู้ชายรู้สมมุติเป็ญกัลคล้อยตามสมมติบัญญัติ่แต่ไม่หลงกรรมัแค่ขันเนี่ยรูปนามขันห้าเลยมันไม่แปดเพื่อนเข้ามาถึงจิตถึงใจอเข้ามาไม่ถึงจิตหนึ่งไม่มีจิตอีกชนิดหนึ่งซึ่ไม่เหมือนเดิมหลวงูดูลย์เรียกว่าจิตหนึ่งท่านไวรหลักเรียกว่าจิตเดิมแท้อาจารย์มั่นเรียกว่าทีที่จิตที่สิ่งฟูตัง ยี่เซลนี้ที่ว่ามันไม่ถูกกระทบกระเทือนอะไรเอไม่มีอะไรมานกระเทือนถึงเแบบฝนตกไม่ต้องต้าร้องไม่ถึงเลยเนะีโลกู่ปุตตาเรียกว่าจิตเดียวในอภิธรรมจะเรียกว่ามหากริยาจิตมีชื่อต่างๆกันมันเป็นสภาวะที่ใหญ่โตเต็มโลกกาะทเลยถ้ามาจิตยิ้มนี่ก็คือจิตยิไม่็แช่ง พอเกิดมากมากแแบบวับมันเกิดตรงผลเนตัว แ, แยกผลแม้แต <c oughs> ่ตอนก็เลยแบบยินได้ใครถามหลวงปู่ดูผมว่าสิตดิ้มันมีกี่ทีหลวงปู่สีที่าง <c oughs> ของเรามันจะมีจุดมีดวงมีขอบมีเขตใจของผู้ปฏิบัติของบุตุชนหรือกทั่งของสระอนาคามี มีจุดมีดวงมีขอบมีเขตมันถูกห่อพุ่มไปด้วยอาสวะมีเปลือกพุ่มเปลือกพุ่มนี้ไม่มีอะไรทำลายได้เนื่เมื่อมันมีขนาดมีจุดมีดวงมีขอบมีเขตเวลามันจะออกรับอารมณ์มันจะต้องวิ่งไปรับเหมือนมันวิ่งไปวิ่งไปวิ่งมาวิ่งไปก็วิ่งกลับวิ่งไปก็วิ่งกลอย่ารู้สึกอย่างนี้เอะไรเพราะมันมีขอบมีเขตมีลิมิตมีขนาด แต่ตรงที่เป็นปลายปลายการทิ่ถือจิตแล้วเป็นจิตหนึ่งจิตหนึ่งนี่ใหญ่เป็นโลกธาตุทั้งสามโลกเป็นครอบคลุมนี่นั่นเดียวก่อือเท่ากับพรนิพพันครอบคลุมทุกอย่างใหญ่โตไปรู้มหาสีตาครอบคลุมทุกสิ่งทีกย่าเสมอนั้นเหมือนจะไม่มีการวิ่งไปวิ่งมาแล้วมันไม่มีอะไรหอกูมันเป็นอิสระ ไม่มีขอบเขตไม่มีน้ำหนักไม่มีจุดไม่มีดวงไม่มีการเคลื่อนไปเคลื่องมามันมันรู้สึกจะมีการเบียง่งปฏีบัตไปเบียรู้สึกว่าไอ้ขอบเขงใจมันค่อยๆกว้างกว้างกว้างกวนางกว้างกว้างมว้างวางกว้างกวงกว้งกว้างกว้งกว้างกว้างกว้างกว้างกว้ามกว้างกวมางกางกว้างกว้างกว้างก้ารก้างกว่างกว้ารกว้างกว้างกว้างกว้างก้างกว้างกวก้าง้ว คุณที้มาด้วยกันครขบอคุงเป็นไงบ้างอย่าจงใจทำปฏิบัติกล้วนะของโยมเ่งจงใจไปนิดนึงรู้สึกไหมมันยังเคร่งเครียดในการปฏิบัติะ ิิททีี่่เดนคือการปฏิบัติเนี่ยถ้าเราจงใจทำนิดเดียวจะเกิดความทุกข์ขึ้นมาแทนจะกเครียดให้เรามีหน้าที่รู้ทันไปเรื่อยๆมันจะค่อยๆคลายออกคลายออกคุณทำตรงนี้นะหลุดพ้นตรงนี้ไม่ได้บอกว่าดลุดที่ปิดมือได้ให้ช่วงมิมิเงนจะไปโผ่มาโลกไปแน่นอน ท่านนะและอย่างที่มเมื่อวานนี้ยังสงสถานยืนอีกทัทีท่านบอกว่าแทนที่มันจะไปคือคือถ้าปล่อยไปจะไปอยู่ที่อากาศาสแล้วนะแล้วมันพิ้กลับไปอยู่ที่อาสนีงได้เพราะคนละเส้นอาสนีนี่พวกดูรูปพวกดูรูปเนะพวกอากาศาสตรเนี่ยพวกดูน้ำไม่ไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้ใช่ไมไม่ใช่เดีย ว, วกันก็อาสนีเนี่ยพวกพิ้งรูปเช่นเวลาเขยกมือนะ จิตเท่าเกาบสนิดอยู่ที่มือเลยเกินิ้วนิ้วแต่ละนิ้วมันจะขยับไม่พร้อมกันนะเวลาเราเคลมันจะไหวขยับแต่ละนิ้วไม่ซ่านิ้วไหนก็ติดเล็กนึงก็ยังรู้เลยจิตจดจ่ออยู่กับรูปเป็นเหนียวเลยทําอะไรเนี่ยจะจะจับปวดนิ้วแต่ละเนี่ยขยับเน่รู้หมดเลยไม่สนใจนาเอารูปไปทำอย่างอื่นเอารูปเป็นอารมณนเดียวการที่จดจ่ออยู่กับรูปันเดียวแล้วก็คือการเช่งรูปเช่งอยู่ที่รูปันเดียว อันนี้ยถ้าเพ่งสุดขีดนั้นะ mm. ก็จะไปถึง mm. จตุตตาฌานฌานที่สุดมัน mm. ไม่ขึ้นอากาศาสตรจะเพงรูปแล้วถ้าคนไหนไม่ชอบนามเลยนะไม่ยอมดูจิตเลยคิดว่าไม่ต้องดูจิตนะไม่มีการแยกรูปแยกนามมีแต่รูปันเดียวถ้าเกลี่ยนจิตเลยมันจะดับความรับรู้แต่ยังเหลือรูปันเดียวสั้นยามันค่อยๆจาบค่อยๆจับแบบดั บ, ด, บ, ด, บดับนามมาทำทั้งหมดเลยไม่ใช่ดับเฉพาะสัญญานะ แต่ตที่เราดูน้ำจะไปดับกันอย่างอันนี้หมายถึงว่าสมาธิเขาเพิ่งทำมาแต่แรกเนี่ยมันจะต้องหลงตลอดมาเลยใช่ใชเป็นสมาธิประกอบได้หรืใช่เส้นทางของอสัญญาเนี่เป็นเส้นทางของมิจฉาทิจิควก<อ>็หมดความรู้สึกที่ว่าไปเลยนะแล้วทางที่ที่ ท, ที่อาจารย์เก่าที่จะไปแบบนั้นหรือเปล่าเออไม่ใช่นี่เป็นอากาศารใช่ไหม จะไปอยู่กับว่างอะไรก็ว่างไปหมดวันนี้แรกผมคิดว่าถ้าจะไปอรุปปัจฉันนี่จะเจ้องสติปะจฉ์คือตัวตัวอรูปปัจฉันเนี่ยสี่อันบางทีถ้าเรียกตัวเป็นสมาบัตแปดก็เป็นสมาบัติที่ห้าถึงแปดห้าถึงแปดคือตัวอรูปปัจฉันทั้งหมดจริงๆก็คือฌานที่สี่นั้นเองแต่ว่ามันใช้นามธรรมเป็นอามธรรม องของมันมีสองแตอ่องก็มีสมเหมือนกันเออเหมือ น, น<ต>ชาชานที่สี่มันคือชานที่สนะี่อะไรก็ตามการานนี่พอไปดูว่างก็ว่างว่างแล้วเพ่ยูที่ความว่างแค่เดียวเดียม ใ, ในความว่างมีความรู้สึกขึ้นมีสิ่งที่แทรกอยู่ในความว่างไปรู้ความรู้สึกว่างเลยตอนนั้นวิญญาณใจยัตตา น, นตาคนะับมาดูตัวรู้ใช่ไหมไปเจอเติ ไปจับเาตัวรมาติดเพ่งใส่ตัวรู้นะเพ่งไปเพ่งไปนะในสุดก็จะคลายตัวรู้ที่ออกเห็นว่าตัวการที่มีเพ่งตัวรู้ไว้ก็ยังเป็นภาระคลายชิ้นเมันจะไปอยู่กับความไม่มีอะไรเรื่องนี้หากินจัญญายัตตนะคือเขาว่าอย่หมดเลยไม่มีอะไรชักอย่างรูง้แต่แค่มีว่าร่างการที่มันสลายไปตั้งแต่ชั้นที่สี่แล้วล่ะไม่มีอะไรเหลือ ความรู้สึกก็ไม่รู้สึกในที่สุดพอมันละเอียดสุดขีดเนี่ยสัญญาจะอ่อนกำลังค่อยอ่อนอ่อนอ่อนลงค่อย้างเหมือนกันมีสัญญาเหมือนก็ไม่มีสัญญาแต่นี่ว่าสัญญาคล้ายๆกับกำลังขึ้น อ, อย่างนังง้นแต่ถ้าจะเข้าสมบัติที่เก้าเข้าตรงสมบัติที่เจ็ดนะไม่ได้เข้าตรงทีแปดตรงที่แปดทำอะไรไม่ได้แล้ว ท, ทำไ ม, ไ, มทไม่ได้ทำไม่ได้ยกเป็นพระอริยะที่ชำนาญการดูจิตรครริยะบุคคลตายไปเกิดในอรูปมทีปถึงนี้ปัจนาต่อได้ด้วยการดูจิตแต่คนทั่วไปยูสตาร์เริ่มต้นที่ทำไม่ได้ คือต้องไปผูบัตที่นั่นใช่ไหมหมายความว่ า, าเป็นพระอัญญาแล้วแต่ว่ายังไม่จุดแล้วไม่เจนะอพรนผู้บัตในอรูปในกลมแล้วก็เดินสอนเดินเดินสอนได้ไปดูจิตต์ <c oughs> ก็จะเห็นในความไม่มีอะไรแนละ้วก็ยังไม่ใช่ตัวเราเห็นวิญญาณภาพรู้ไม่ใช่ตัวเราเห็นความไม่มีอะไรกนะ็ยึดไว้ไม่มได้เพ <c oughs> ื่อไปเดินสอนแต่ของก็ผมหนะ้า มันไม่ค่อยเหมือนกับอ่ส่วนใหญ่ทั้งหลายครับพอจบหลักสูตรแล้วแทนที่เขาไปจิตที่ว่างกั น, นะของผมกายเป็นว่ามันเข้าข้าวภาษาไม่ได้กลายเป็ก็ไปอยู่รูปจัตุรัสก็ดีแล้วก็เลยมองว่าเอ๊ะทำไมเขาเป็นจิตกับจิตนเคือเขาชอบความว่างๆชอบสบายไม่ชอบอ<ล>ะไรที่หยาบๆจิตชอบของเรมี่ คลิกไปหารู้โยกมาจากไหนกันไหนใหม่ไม่เเห็นหลายคนมาจากอุทิศค่ะแล้วก็มีแบบท่านขนส่งจังหวะการย้ำดีนี่เป็นความจรที่เคยอยู่ตุรินมือก่อนแล้วค่ะตอาเลยกับบุญกับพระเจ้าคุณต่อับรถทาทากันบ่อยก็ดีเนาะึุนเป็นอุปชากันม มาไปเรียนอย่างวงปู่ดูลสมัยก่อนแต่ว่าตอนท่านอยู่ยังไม่ได้ทันบวชนะของของหลวงก็ไปรับราชการที่สุริดนเคยฝึกมาแบบไหนละ่ะอ่าได้อ่านหนังสือของท่าอาจารย์แล้วก็มีความรู้สึกว่าคือเจอไม่นนปฏิบัติไม่ค่อยได้แต่พอได้อ่านหนังสือของท่าอาจารย์ลแล้วเมีความรู้สึกว่าสามารถปฏิบัติได้นะคะตามแนวทาง การเขียนวายเลยนะคะก็เลยสนใจมากแก็พยายามหาว่าท่นอาจารยที่ไหนเลยค่ะก็ไปถามคนที่มาเรียมาให้แล้วก็น้องก็บอกค่ะก็เลยมาค่ะเดียตั้งใจก็ตั้งใจอะไรก็จะกราบถามก็จะถามให้ช่วยแนะแนวทางให้คือกรรมฐานนี่มันมีสองแนวทางสองแนวทางหลักๆนะหนึ่งกายหนึ่งจิตแต่ว่านั่นเป็นจุดเบื้องต้นเท่านั้นแหละ ถ้ารู้กายถูกต้องก็จะรู้จิตรู้จิตถูกต้องก็รู้กายมันเรียนอันเดียวกันใน่คนละนายากจะเริ่มจากไหนก่อนนี่คนแต่ละคนเนียจริตนิสายต่างกันเราไม่ใช่เรื่องตามใจชอบนะต้องวิเคราะห์ตัวเองก่อนจริตของคนเนี้ยมีสองจริตจริตเขามีปัสสนานี่มีสองอันไม่เหมือนจริตของสมถะนะมีหกอันราคะจริตโทสะจริตโมหะจริตยิ่งตกจริตทุกข์จริตสัตยจริตอันนี้ไว้ทําสมถะ จริตสองัินชนั้นมีสองอย่างใช่ไมเว่าตันหาจริตกับทิฏฐิจริตตันหากับทิฏฐิอันนี้ไม่ค่อยมีคนได้ยินไม่ค่อยมีคนพูดถึงพูดถึงแต่ราคะจริโทสะจริตเพราะว่าส่วนใหญ่ทําแค่สมถะที่ตันหาจริตหมายถึงคนประเภทไหนคนประเภทรักสวยรักงามรักความเป็นระเบียบนะรักความสงบรักความสบายพวกนี้เหมาะที่จะถูกา ต่างกายเนี่ยมันจะสอนให้เห็นไม่สบายไม่สวยไม่งามอีกพวกมันึ่งว่าทิฏี่จริพวกคิดมากพวกทิฏฐิจริยนี่จริงๆก็คือคนเมืองส่วนใหญ่นั่นพวกเราทํางานที่ใช้ความคิดทั้งวันเนะลยเราต้องคิดคิ ด, ค, ดคิดทั้งวันเลยพวกทิฏฐิจริยพวกคิดมากเนี่ยจะมีนิสยัยชอบคิดชอบวิาพากษ์วิจารชอบตีความชอบให้ค่าชอบศึกษาเปรียบเทียบ ให้ฆ่าบางทีก็ตัดสินคนอื่นอ น, นี้ดีนนี้ไม่ดีถูกอันนี้ไม่ถูกพวกเจ้ารักที่เจ้าเป็นต้งการก็คือลักษณะนิสยัยส่วนใหญ่ของพวกปัญญชนนั่นเองพวกนี้เหมาที่จะดูจิตตั้งใจจิตนี้เราสะท้อนให้เห็นกระทั้งจิตใจเรารยังบังคับมันไม่ได้นี่จะเป็นบังคับไรก็ได้มันจะตัดนิสัยให้ชอบไปยุปนน่งคนอื่นครับเล่นทางเดินมีสสยัยนี่การรู้กายมีเงื่อนไข การรู้กายจะรู้ได้ดีนะถ้าทําสมาธิชั่วคราวทำฌานชั่วกราวส่วนการกดูจิตเนี่ยดูได้เลยสมาธิเกิดที่หลังเรื่องการรู้กายเนี่ยเรียกว่าสมาธินําปัญญาเป็นเส้นทางของพวกที่ใช้สมาธินําปัญญาอย่างครูบาอาจารย์วัดป่าส่วนใหญ่ก็จะทําสมาธิก่อนพอทํำสมาธิจดใจแน่ๆเป็นหนึ่งแล้วมารู้กายตรงกับํารมหน้าที่ทำ นี่สิ่งที่หลวงปู่ดูลยสอนี่จะตา่างกับบาอาจารย์นักปราองค์อื่นบางมุมโลกงปู่ดูลสอนลูกศิษย์แต่ละคนไม่เหมือนกันลูกศิษย์แต่ละคนเบางคนท่านให้ดูกายบางคนท่านให้ดูจิตที่แท้ท่านก็ดูประจักษ์จริตนิสยัยนี้ถ้าเราทําปฏิบัติไม่ตรงกับจริตนก็ไม่ค่อยได้ผล <c oughs> นี่ท่านมองว่าท่านเคยบอกอาตมาไหมนะว่าต่อไปเนี่ย การดูจิตเจอรูปเรื่องในเมืองไม่ใช่ประโยนติเราก็ดูไเห็นมันจะรูปเรืองเลยไม่เห็นมีใครเขาดูจิตกันเลยมีแต่เขาดูกายทั้งบ้านทั้งเมืองสํานักกรรมฐานทั้งหมดเลยนะยกเว้นสํานักท่นานโกเอนกาโกเอนกาดูเวทนาสํานักส่วนใหญ่จะรู้กายทาั้งหมดอย่างสายท่ธธานพุทธภาพหายใจเข้าหายใจออกพี่านารักษ์สติก็กายสายวัดป่าก็ดูกาย สายจตนแนคุวิริยะหมดสิ่ก็เรื่องกายพอเทียนขยับมือก็เรื่องกายสายพอยุ่มหรือท้างของพ อ, องยุ่มยกเท้ายางเงท้าก็กายมีแต่กายเท่านั้นเลยไก็เห็นมีจิตเลยแต่ว่าพอเวลาผ่านมาสังคมมันเปลี่ยนคนยุคนี้เป็นคนที่คิดหนักทั้งวันคนที่จเล่นกายแล้วได้ผลดีมันต้องเล่นชาญต่อจิตก็ต้องเป็นเหนึ่นถ้าจิตเป็นหนึ่งมันจะเห็นเลย ร่างกายที่กําลังยืนเดินนั่งนอนนี้ไม่ใช่ตัวเราเป็นของที่จิตไปรู้เข้าถ้าจิตเป็นหนึ่งอยู่เฉยๆร่างกายที่หนยใจเข้าหายใจออกนี่ไม่ใช่ตัวเราเป็นของที่จิตจะรู้เข้าจะเห็นไ่างกายนี้มันไม่ใช่เราไม่ว่าจะฝึกยหงไงขยับไปก็ยังเห็นตัวที่ขยับอยู่นี้ไม่ใช่เรานี่คนที่เล่นฌานจิตเป็นหนึ่งจะเห็นอย่างนี้ได้ง่ถ <to> ้าไม่ทสฌานก่อนไม่ทําสมาธิก่อนอยู่ๆก็ไปยกมือจิตจะหลงไปเพ่งมือ ไม่ใช่รู้มือ แ, แต่ไปเพ่งมือรู้ลมหายใจก็จะไปเพ่งลมหายใจรู้ท้องก็ไปเพ่งท้องรู้เท้าก็เพ่งเท้ามีแต่เพ่งทั้งหมดไม น, นเติมสัญญาไม่ได้ใจไม่ตั้งมัน่นพอส่วนพวกหนุ่มเหมอพอพวกคิดมากพวกคิดมากเนี่ยทำสมาธิไม่ได้อยู่แล้วไงก็ไม่สงบใจฟุ้งซ่านทั้งวันเลยทุกวันก็คิดคิดคิ ด, คดทั้งวันเนะตกค่ําจะมานั่งสมาธิไม่ค่อยลง งั้นท่านสาบอกว่าพวกที่คิดมากเนี่ยให้ดูจิตเลยเช่นจิตฟุ้งร้างให้รู้ว่าฟุ้งร้างไม่ต้องทำสมาธิก่อนสมาธิจะเกิดทีหลังทำไมไม่ให้ทำสมาธิก่อนท่าจิตฟุ้งร้างแล้วเราไปทำสมาธิก่อนจิตจะไม่มีและวุ้งร้างไม่มีไม่มีจิตฟุ้งร้างให้ดูจิตมีราคาเราไปทำสมาธิขึ้นมาก็ไม่มีจิตที่มีราคาให้มีแต่จิตสงบลูกเดือดนะก็สงบอยู่นั่นแหละทำไปก็สงบย นการดูนจนิตนะต้องไป ท, ทําสนาธิก่อนให้ดูเข้าไปเลยใช้ชีวิตปกติเนี่ ย, ยเราจะเห็ น, น จ, จิตใจของเราสี่นแปลงทั้งวันเช่นรุ่นน้องเราคนนี้มันขี้เกียจทอบโกหกเราด้วยตอนน้าเราทําขยามรับหลังเราขี้เกียจเห็นหน้ามันเราก็ำานะำารำคาญพอราคาญปุกบเราเห็นใจที่ราคาญมันุวดขึ้นงใจนี่ไม่เที่ยงใจทีแรกเฉยๆตอนนี้เห็นไอ้คนนี้ปุ๊บรำคาญ เราได้ยินเสียงเพลงนี้เพลงนี้สมัยวัยรุ่นเราชอบฟังแล้วมีความสุขใจที่เคยเฉยเฉยเปลี่ยนเป็นใจที่มีความสุขเราก็ตามมันไปเพราะตอนนี้ใจมันไม่เที่ยงแล้มันมีความสุขเราจะนอนกัางคืนหมาข้างบ้านเห่าไป่เลิกโมโหมันของโยมที่โมโหนะะเออเป็นคนที่โมโหงั้นดูง่ายดูจิตง่ายโมโหนั้นมันดูง่ายที่สุดแล้วในความโมโหแล้วมันพุ่งขึ้นมาดูง่าย เราคอรู้ถัดไม่ห้ามนะการรูจิตเนี่ยเราจะไม่ไปดักไปก่อน <Food. S 1> เราจะตามรู้เช่นมันเผลอไปก่อนแล้วรู้ว่ามันเผลอไปมันโกรธไปก่อนแล้วรู้ว่ามันโกรธไปเราจะตามรู้ไม่ดักไปก่อนระหว่างรู้เราไม่เข้าไปเพ่งเราดูเหมือนจะเห็นของคนอื่นเห็นคนอื่นโกรธนะแล้วอย่เวลามันโกรธขึ้นมาพวกเราจะเห็นเหมือนเหมอนไอ้คนนี้มันกําลังโกรธอยู่ไม่ใช่เราอ่ะมันไอ้ไอ้คนหนึ่งมันโกรธอยู่จะไจะเห็นมือนเห็นคนอื่น ก็เห็นแล้วไม่เข้าไปแทรกแทรกไม่ใช่ว่าไปบังคับให้หายโกรแต่เราจะคอยดูเราจะไม่บังคับตัวเองเราจะคอดูดูซิความโกรธนี่เที่ยงนีไม่เที่ยงดูอย่างนี้นะงั้นก่อนที่จะดูจิตเนี่ยอย่าไปเจ้าให้ก่อนให้ความรู้สึกมันเกิดขึ้นแล้วก็ค่อยดูเอานี่ข้อที่หนึ่งข้อที่สองระหว่างรู้อย่าไปเพ่งใส่มันอย่าไปเจ้าใส่เนดูอยู่ห่งหางๆเหมือนเห็นคนคนอื่ น, น มันเห็นความรู้สึกของคนอื่นมันเห็นคนอื่นกำลังโกรธมันเห็นคนอื่นกำลังโลภไม่ใช่เรากำลังโกรธเรากําลังโลภหลังจากดูแล้วก็เห็นแล้วว่ามีกิเลสนี้อะไรเก้นไม่เข้าไปแทรกแซงไม่เข้าไปลนไม่เข้าไปแก้ไขมันถ้ามีความเห็นว่ามีความสุกขเกิดขึ้นก็ไม่ต้องไปรักษามันถ้ามีโทสะเกิดขึ้นก็ไม่ต้องรักษามันเห็นความทุกขเกิดขึ้นก็ไม่ต้องไปดิ้นหนีมันเห็นกิเลสเกิดขึ้นก็ไม่ต้องหนีมัน ให้รู้ทุกอย่างตามความเป็นจิตแล้วมันจะสอนธรรมะเามันจะสอนเราว่าทุกสิ่งที่เกิดมันจะดับทั้งสิ้นโดยที่เราไม่ต้องทําอะไรเลยถ้าเขามีเหตุเขาก็เกิดขึ้นมาถ้าเหตุหมดไปเขาก็ดับไปแต่ถ้าเราปิดเจ้าไว้นะมันจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นมันจะนิ่งๆจ้าไม่กอดใช้ไม่ได้เพราะการดูจิตไม่ไปดับไว้ก่อนให้ความรู้สึกเกิดแล้วใ ห, ให้ดูอ ระหว่างดูอย่าสล่มลงไปดูเหมือนเห็นของคนอื่นดูแล้วไม่เข้าไปแทรกแสงแก้ไขหรือควบคุมนะครับดูไปเพื่อให้เห็นความจริงว่าเขาไม่เที่ยงเขาบังคับไม่ได้การที่เราได้เห็นความจริงว่าจิต ใ, ใจเป็นของไม่เชี่ยงของบัง ค, คับไม่ได้นี่เรียกเรื่องว่าปัญญาคนมีปัญญาอย่างนี้จิจตจะปล่อยวางความยึดถือจิตเรียกว่ากิมุตินี่เป็นลําดับลําดับลําดับ ในสุดใจเราจะปล่อยวางใจเราจะเป็นอิสระ